เจรันพรท่านผู้มีจิตเมตตามีใจบุญใจขุศลทุกทุกท่กทานวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2551เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัด เพื่อมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพราะความศรัทธาที่แน่วแน่และมั่นคงในพระพุทธศาสนาว่าเป็นศาสนาที่เลิศที่ประเสริฐที่สุดเพราะเป็น ศาสนาของพระอารหันต์ตถมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐผู้เปลี่ยนไปด้วยพระพระกรุณาเปลี่ยนไปด้วยพระปัญญาและเปลี่ยนไปด้วยพระบริสุทธิ์ที่คุณนี่คือฐาน ของศาสนาอยู่บนฐานทั้งสามประการนี้คือพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธเจ้าสองพระพัญญาคุณสามพระบริสุทธทิคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเป็นคุณธรรมอันเลิศ ที่สุดที่มนุษย์เราจะสามารถพัฒนาให้ถึงได้ผู้ใดที่มีพระคุณทั้งสารประการนี้ย่อมทำประโยชน์ให้กับโลกได้อย่างไม่มีขอบ ไ, ไม่มีเขตแม้สังขารคือพระชนอาชีพของพระพุทธเจ้าจะได้ ดับไปแล้วเป็นเวลาถึง 2,500 กว่าปีก็ตามแต่พระคุณอันประเสริฐทั้งสามประการนี้ยังส่งแสงสว่างกระใจายให้แก่สัตว์โลกทั้งหลายจนถึงในปัจจุบันนี้พวกเรายังสามารถรับประโยชน์ จากพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ถึงแม้องค์พระพุทธเจ้าจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็ตามแต่พระองค์ทรงตัดไว้ก่อนที่จะจากพวกเราไปว่าทมวินัยที่ตถาคตได้ตัดไว้ชอบแล้วนี่จะเป็นศาสดาแทนเราต่อไป จะเป็นศาสดาของพวกเธอดังนั้นพวกเธอจะไม่อยู่ปราศจากศาสดาเลยนี่คือคุณธรรมอันวิเศษของพระพุทธเจ้าเริ่มต้นด้วยที่บริสุทธิ์ที่คุณพระพุทธเจ้าก่อนที่จะมาตัสรู้พระองค์ก็มีจิตใจที่แปดเปื้อนไปด้วยกิเลสเครื่องเศร้าหมอง เหมือนกับพวกเราทั้งหลายมีความโลภมีความโกรธมีความหลงแต่หลังจากที่ได้ทรงออกจากพระราชวังและบำเพ็ญสมสมณัธรรมอยู่หกปีก็ได้ชำระพระทัยของพระองค์ให้สะอาดบริสุทธิ์ปราศจากความโลภความโกรธความหลงเป็นผู้ที่ อยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายเพราะเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นได้ถูกกาจัดไปหมดสิ้นแล้วนั่นก็คือความโลภความโกรธความหลง mm. เมื่อทรงตัดสรูแล้ว mm. ก็มีปัญญาปรากฏขึ้นมาว่าตนได้บรรลุแล้วได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้ว ได้รู้จักวิธีที่จะทำให้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเมื่อเป็นดังนั้นก็ทรงมีพระกรุณามหากรุณาคุณคือมีความสงสารสัตว์โลกทั้งหลายเช่นพวกเรานี้ที่ยังถูกอำนาจของความหลงของความมืดบอดครอบงำจิตใจ ทำให้เราไม่เห็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดของความทุกข์ทั้งหลายได้ไม่เห็นทางที่จะพาให้เราไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้มีพระองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นที่ทรงรู้ทรงเห็นทางนี้จึงมีพระ กรุณาคือความสงสารที่อยากจะช่วยเหลือสัตว์โลกให้ได้มีโอกาสรู้จักทางที่จะพาให้ไปสู่การสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้จึงออกประกาศศาสนาด้วยพระปัญญา ที่มีความรู้ความฉราดที่สามารถสั่งสอนสัตว์โลกได้หลายระดับแม้แต่เทวดาก็ส่งสอนส่งเป็นศรัทธาเทวมนุษย์นังเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผู้ที่ได้ยินได้ฟัง ก็จะได้รับประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลผลที่ได้นี้มีคุณค่ายิ่งกว่าทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะทรัพ์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆไม่สามารถทำให้จิตหลุดพ้นจากความทุกข์ไปได้ต่อให้มีเงินทองมากกองเท่าภูเขา ก็ยังหลุดพ้นนีจากความทุกข์ไปไม่ได้ยังต้องเศร้าโศกเสียใจต้องร้องโหงร้องอ้ายต้องมีแต่ความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่เสมอแต่ถ้าได้พระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติแล้วก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย ดังนั้นพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งอื่นใดในโลกนี้เพราะไม่มีใครอยากจะมีความทุกข์กันเพราะว่าความทุกข์นี้เมื่อมีแล้วมันแสนทรมานเหมือนตกนรกทั้งเป็นทั้งๆ ท, ท, ที่มีเงินทองมากมายกายก็แต่เงินทองก็ไม่สามารถดับไฟนรก ที่อยู่ในใจได้นี่คือพระคุณของพระพุทธเจ้าคือในเบื้องต้นทรงมีจิตใจที่สะอาด บ, บริสุทธิ์ไม่มีความโลภความโกรธความหลงแล้วก็ทรงมีพระกรุณาพระความสงสารยอมอุทิศเวลาที่มีเหลืออยู่ ทำการเผยแผ่สั่งสอนสัตว์โลกให้รู้ถึงทางที่จะพาไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายและทรงใช้ปัญญาที่ฉลาดแหลมคมมาอบรมสั่งสอนให้กับสัตว์โลกระดับต่างๆจนบรรลุเป็นพระอรหันต์ บรรลุถึงมรรคผลนิพพานกันเป็นจำนวนมากมาตั้งแต่สมัยพระพุทธการจนมาถึงสมัยปัจจุบันก็ยังมีผู้ที่สามารถน้อมเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติจนบรรลุเป็นพระอริยเจ้าระดับต่างๆได้เป็นจำนวนมาก และการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้สอนเพื่อหวังผลตอบแทนแม้แต่นิดเดียวเพราะพระทยของพระองค์นั้นเต็มเปลี่ยนไปแล้วด้วยความสุดไม่มีความโลภไม่มีความอยากไม่มีความต้องการอะไรทั้งสิน้นสอนโดยไม่มีเจตนาที่ไม่ดีแฝงอยู่เหมือนกับคนในโลกสมัยนี้ เวลาเขาทำอะไรให้กับใครช่วยเหลือใครเขามักจะมีเจตนาอย่างองื่นแฝงอยู่คือเขายังมีความต้องการบางสิ่งบางอย่างจากผู้ที่เขาให้สิ่งของไปหรือที่เขาช่วยเหลือเนี่ยเพราะจิตใจของเขายังมีกิเลสมีความโลภมีความอยากมีความต้องการมีความหลงอยู่ แต่ใจของพระพุทธเจ้านี้ไม่มีความต้องการอะไรจากสัตว์โลกทั้งหลายเลยเพราะไม่มีอะไรที่สัตว์โลกทั้งหลายจะให้กับพระพุทธเจ้าได้นั่นเองที่จะทำให้พระพุทธเจ้ามีความสุขมากไปกว่าเดิมไม่มีดังนั้นขอให้เรามีความมั่นใจได้อย่างร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราจะไม่ถูกหลอก ท, ท, ที่ท่านสิ่งต่างๆที่ท่านทรงสอนให้เราทำนี้เราไม่ต้องกลัวขอให้ทำไปเถอะเราจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสิ่งที่ทรงสอนทุกสิ่งทุกอย่างนี้ล้วนเป็นความจริงทั้งสิ้นไม่มีความปลอมเหลืออยู่พลอยู่เลยแม้แต่นิดเดียวสอนว่าทำดีได้ดีทำาชั่วได้ชั่วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ สอนว่าทำบาปแล้วต้องตกนรกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆสอนว่าทำบุญแล้วก็จะไปสวรรค์หรือถ้ากลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ดีกว่าเกา่าที่ฉลาดกว่าเกา่าที่ร่ำรวยกว่าเกา่าที่มีรูปร่างหน้าตาดีกว่าเกา่านี่เป็นความจริงสอนว่าถ้ากําจัดความโลภความโกรธความหลง ให้หมดไปจากจิตจากใจได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปนี่ก็เป็นความจริงเช่นเดียวกันดังนั้นพวกเราไม่ต้องเสียดายอะไรในโลกนี้เพราะไม่มีอะไรที่น่าเสียดายยิ่งกว่าโอกาสที่จะได้ศึกษาพระธรรมคำสอนและปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนเพราะชาตินี้เป็นชาติที่ดีที่สุดแล้ว เรามีโอกาสได้มาพบพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ามีโอกาสที่จะปฏิบัติให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเรามัวแต่เสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเสียดายความสุขเล็กๆน้อยๆจากการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆจากการไปดื่มไปรับประทานไปดูไปฟัง รูปเสียงต่างๆเราก็จะเสียโอกาสอันดีอันเลิศอันเปรฐนี้เพราะไม่รู้ว่าโอกาสหน้าที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่นี้จะเป็นเมื่อไรและเมื่อกลับมาเกิดแล้วจะมีพระพุทธศาสนาอยู่ในโลกหรือเปล่าก็ไม่มีใครรู้ได้แต่ตอนนี้ เรามีโอกาสที่ดีที่สุดแล้วถ้าเราปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไปก็แสดงว่าเราโง่มากเราหลงมากถูกความมืดบอดคือความหลงครอบงำจิตใจให้เราหลงสแสวงหาแต่ลาบลกสรรเสริญสุขสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะไม่เคย ให้เวลากับการหาความสุขทางธรรมะกันเลยเพราะถ้าเราถ้าเรายังอยู่ถ้าเรายังทําอย่างนี้อยู่ก็ขอให้เรากลับลดอยามมุ่งไปทางนี้เพราะทางที่เรากําลังไปอยู่นี้ไม่ได้ไปสู่ความสุขที่แท้จริงขอให้เรายูเทิร์นกลับลด มาอีกทางหนึ่งเราต้องมาทางธรรมะมาทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนคือให้ทาบุญให้รักษาศรริลให้ปฏิบัติธรรมให้ชำระจิตใจกําจัดความโลภความโกรธความโมงนี่เป็นทางที่ควรจะไปยิ่งกว่าทางอื่นทางอื่นนี่มีคนอื่นไปกันเยอะแล้วเราก็เห็นแล้วว่า เขาไปไม่ได้อะไรตายไปเขาก็เอาติดตัวไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวสมบัติเข้าของเงินทองมีมากขนาดไหนก็เอาติดตัวไปไม่ได้ฐานะตำแหน่งต่างๆก็เอาไปไม่ได้ความรสนเสริญเยินยอก็เอาไปไม่ได้ความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย ก็เอาไปไม่ได้เพราะเมื่อร่างกายนี้ดับไปแล้วก็ไม่สามารถดูไม่สามารถฟังได้อีกแล้วและใจก็ไปแบบอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเพราะไม่มีอะไรติดไปกับใจไม่ได้ทําบุญไม่ได้รักษาศีลไม่ได้ปฏิบัติธรรมมีแต่ความโลภความโกรธความหลงที่ติดไปกับใจที่จะพาใจให้ไปหลงเวียนว่าย ตายเกิดไปหาราบยศสรเสริญสุขอีกไปเรื่อยๆไปแล้วก็ต้องไปทุกข์ทรมาน์เพราะโรคที่โลกที่เราอยู่นี้หรือโลคที่เราจะไปกันมันมีแต่ความทุกข์รอเราอยู่ข้างหน้าเพราะเมื่อเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันนี่คือ ทางที่เรากำลังไปกันอยู่เราควรที่จะหันกลับมาไปในทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนพยายามตัดความสุขทางโลกเท่าที่เราจะสามารถทำได้ถ้าไม่จำเป็นก็อย่าออกไปเที่ยวข้างนอกถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องดูไม่ต้องฟัง ถ้าจะดูก็ให้ดูหนังสือธรรมะถ้าจะฟังก็ให้ฟังเทปธรรมะเพราะเมื่อฟังแล้วจะทำให้ใจเราสงบทำให้เราฉลาดทำให้เราเห็นโทษของความหลงติดอยู่กับสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามันไม่ได้ให้ความสุขกับเราเลย มีแต่จะให้ความทุกข์ความวุ่นวายใจอยู่เรื่อยๆมีความสุขก็เล็กๆน้อยๆประเดียวปลดาวเสร็จแล้วก็มีความทุกข์ตามมาเช่นได้ไปเที่ยวก็มีความสุขพอกลับมาก็ต้องวุ่นวายหาเงินใหม่เพราะเงินหมดแล้วไปเที่ยวไม่มีเงินใช้แล้วก็ต้องวุ่นวายกับการหาเงินหาทอง ไปซื้อของต่างๆที่ไม่จำเป็นก็เช่นเดียวกันซื้อแล้วเงินก็หมดหมดแล้วก็ต้องวุว่นวายหาเงินหาทองมาเพื่อจะได้ซื้อใหม่แต่ความอิ่มความพอไม่ปรากฏขึ้นมาในจิตใจซื้อเท่าไหร่ไปเที่ยวมาเท่าไหร่ก็ไม่เคยรู้สึกว่าพอสักทีตั้งแต่เกิดมาจนถึงวันนี้ก็ได้ซื้อของต่างๆมามากมาย ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆมามากมายแต่ความอยากซื้ออยากเที่ยวมันก็ยังไม่หมดไปสักทีมันก็จะต้องผลักให้เราต้องไปทำมาหากินหาเงินหาทองต้องไปเหนื่อยยากลําบากลําบนต้องไปแข่งขันต้องไปต่อสู้ต้องไปมีเรื่องมีราวมีปัญหาต่างๆตามมาอยู่เรื่อยๆ นี่เป็นทางที่พวกเรากำลังไปกันอยู่เรากำลังไปในทางที่มีแต่ความทุกข์มีแต่ขวาน้ำให้เราต้องเจ็บปวดรวดร้าวอยู่เรื่อยๆแต่ในทางของพระพุทธเจ้าที่ไปนี้ในเบื้องต้นจะรู้สึกยากลาบากบ้างจะรู้สึกทุกข์บ้างทรมานบ้างแต่เมื่อเราปฏิบัติไปเรื่อยๆแล้ว กำลังของเราจะมีมากขึ้นความทุกข์ความยากความลำบากก็จะเบาลงไปจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่ยากเลยไม่ลำบากเลยเพราะเราไม่ถนัดนั่นเองเราไม่เคยมาทางนี้เหมือนเราไม่เคยใช้มือมือขวาหรือมือซ้ายสมมติว่าถ้าเราถนัดมือขวาแล้วเราต้องไปใช้มือซ้าย เราจะรู้สึกว่ามันยากมันลำบากทำอะไรรู้สึกไม่ค่อยคล่องแคล่วไม่ค่อยสะดวกฉันใดเราก็ทางของเราที่กำลังเดินอยู่นี้ก็เช่นเดียวกันเราถนัดกับการไปหาราบยศสรรเสริญสุขกันพอเราต้องไปหาทางทางบุญทางกุศลเราไม่เคยไปไม่เคยทากัน ก็เลยรู้สึกว่ามันยากมันลำบากเช่นวันนี้กว่าจะมาวัดได้นี่ก็ต้องเขี้ยวเข็นตนเองหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องให้คนอื่นเขี้ยวเข็นหรือต้องให้คนอื่นลากมาถึงจะมาได้ถ้าไม่มีคนลากมาไม่มีคนชวนมารับรองได้ว่าจะไม่ได้มาแล้วเมื่อมาแล้วก็ต้องมาทรมา น, นั่งรอพระรอการจับ ข้าวของอาหารต่างๆจัดเสร็จแล้วก็ยังต้องมานั่งฟังเทศฟังธรรมอีกฟัง ท, กงทีก็ฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่องฟังแล้วไม่สนุกเหมือนกับฟังเพลงเหมือนกับฟังเรื่องตลกต่างๆแต่ถ้าเราพยายามฝืนใจเราให้ทําไปเรื่อยๆต่อไปเราจะเริ่มเห็นคุณค่า ของการกระทำหล่านี้เพราะการนั่งเฉยๆรอให้เหตุการณ์ต่างๆนั้นเสร็จสิ้นไปให้ให้ธุระต่างๆเสร็จเรียบร้อยไปนี้ก็เป็นการฝึกความอดทนอย่างหนึ่งจิตใจของเรามาักจะไม่ค่อยมีความอดทนเท่าไหร่เวลาอยากจะทำอะไรแล้วต้องทำให้ได้ทันทีทันใดถ้าทำไม่ได้แล้วจะ ดิ้นตายจะใจจะร้อนรนกวนกาวายแต่ถ้าเรามีขันติมีความอดทนเราจะนั่งเฉยๆได้อย่างไม่รู้สึกทุกข์เลยที่สาเหตุที่เรานั่งไม่ได้กันก็เพราะเราไม่ฝุกกันนั่นเองเราไม่รู้จักการอยู่เฉยๆบ้างว่ามันเป็นอย่างไรชีวิตของเราต้องดิ้นรน ต้องแสวงหาอยู่ตลอดเวลาจึงต้องทุกอยู่ตลอดเวลาไม่เคยรู้เลยว่าความสุขนั้นอยู่ที่การอยู่เฉยๆถ้าเราสามารถอยู่เฉยๆได้นี้มันแสงจะสบายไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องดินน้นรนตะเกียกตะกายหาสิ่งต่างๆเพราะความจริงเราก็ พอมีพอกินอยู่แล้วข้าวก็มีกินบ้านก็มีอยู่เสื้อผ้าก็มีใส่ความจำเป็นที่ต้องมีมีอยู่ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถอยู่อย่างเป็นสุขได้เพราะเราถูกกิเลสหลอกให้เราออกไปหาสิ่งต่างๆมาเพิ่มคิดว่ามีแล้วจะมีความสุขมากขึ้น แต่กับกายเป็นมีความทุกข์มากขึ้นมีเรื่องมากขึ้นมีปัญหามากขึ้นสิ่งเหล่านี้เราจะไม่ค่อยคิดกันแต่ถ้าเราได้มาฟังเทศฟังธรรมเราจะได้ยินเรื่องราวเหล่านี้อยู่เรื่อยๆและเราจะได้สามารถเอาไปเปรียบเทียบดูกับวิถีชีวิตเดิมๆของเราว่ามันเป็นอย่างไรแล้วลอง ดำเนินวิถีชีวิตแบบใหม่ๆดูบ้างลองอยู่บ้านเฉยๆบ้างไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านไม่ต้องไปเที่ยวไม่ต้องไปใช้เงินอยู่บ้านแล้วกับมีเงินเหลือเฟือกับไม่อยู่กันพอมีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วรู้สึกว่ามันร้อนถ้าไม่เอาเงินไปใช้แล้วมันจะไหม้กระเป๋าถึงต้องใช้ให้มันหมดพอหมดแล้วมันก็มาไหม้ใจ ใจก็ร้อนแทนใจต้องวุ่นวายกังวลหาเงินมาใช้ต่อแทนที่จะอยู่บ้านเก็บเงินเก็บทองไว้เผื่อจะใช้ในสิ่งที่จําเป็นจะได้ไม่ต้องวุ่นวายไปขวนขวายไปหามาให้ยากลําบากก็ไม่ทํากันต้องออกไปใช้ให้มันหมดหมดแล้วก็ต้องมาคิดว่าจะหาเงินใหม่ได้อย่างไร เวลาหาไม่ได้ก็วุ่นวายบนกันเศรษฐกิจตกต่าข้าวของแพงก็เพราะเราใช้กันมากนั่นเองเราไม่รู้จักเก็บกันไม่รู้จักอยู่เฉยๆลองหัดอยู่เฉยๆบ้างอยู่บ้านอยู่กับนั่งหลับตาแล้วก็พุทโธพุทโธไปนึอสวดมนต์ไปพยายามทำให้ได้นานๆ ท, ทําทักชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างนี้เราจะประหยัดเงินทองได้เยอะแยะ ต่อไปเราจะไม่ต้องลำบากลำบนกับการแสวงหาเงินหาทองต่างๆเพราะเงินทองที่เราหามาได้มากน้อยเพียงไรเราก็จะเก็บไว้ได้เกือบหมดจะใช้แต่สิ่งที่จำเป็นเท่านั้นคือใช้ซื้ออาหารใช้ซื้ อ, อยารักษาโรคใช้ซื้อเสื้อผ้าที่ที่ไม่พอใช้เท่านั้นเองนอกจากนั้นแล้วเราจะไม่มีความจำเป็น ที่จะต้องใช้เงินใช้ทองเราก็จะมีเงินทองเหลือเก็บไว้อยู่มากมายจนมีความรู้สึกสบายใจมั่นใจว่าไม่เดือดร้อนเศรษฐกิจจะตกตำ่ำจะตกงานตกการรายได้จะตกตำ่ำจะไม่เดือดร้อนเพราะจะมีเงินที่เราเก็บไว้ดีอยู่และเราก็รู้ด้วยว่าเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เงินมากเหมือนเมื่อก่อน เพราะเดี๋ยวนี้เราอยู่บ้านใช้เฉยๆได้มีความสุขกับการอยู่บ้านไม่ต้องออกไปใช้เงินใช้ทองให้เหนื่อยยากลําบากนี่คือทางของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทางสู่ความสงบสุขทางด้านจิตใจเป็นความสุขที่แท้จริงเพราะเป็นความสุขที่ไม่มีความทุกข์เจือปนอยู่เป็นความสุขที่ให้ความอิ่มและความพอตลอดเวลา ไม่ต้องไปต่อสู้ไม่ต้องไปแข่งขันไม่ต้องไปแก่งแย่งชิงดีไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวไม่ต้องไปมีปัญหากับใครทั้งสิน้นใครอยากจะได้อะไรใครอยากจะเป็นอะไรไม่เดือดร้อนปล่อยให้เขาได้ไปให้เขาเป็นไปเพราะเรารู้ว่าได้อะไรมาก็ไม่ได้ไม่ดีเท่ากับสิ่งที่เรามีอยู่คือความสุขใจความสุขใจที่สามารถอยู่เฉยๆได้ จะขอให้เราลองฝึกทำจิตใจของเราให้นิ่งให้สงบด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆอย่าคิดเรื่องอะไรทั้งสิ้นหรือด้วยการสวดมนต์ไปภายในใจสวดไปยาวๆสวดไปซ้ำๆกันก็ได้สวดบทไหนก็ได้ไม่สําคัญจะเป็นชินบัญชรจะเป็นอิติปิโสจะเป็นธรรมจักรสวดได้ทั้งนั้นไม่ต่างกัน เพราะมีหน้าที่ทําใจของเราให้สงบให้นิ่งเท่านั้นนี่คือเป้าหมายของการสวดมนต์ของการบริกรรมพุโทโธเพื่อทําให้ใจของเรานิ่งสงบเพื่อเราจะได้อยู่เฉยๆได้ทุกวันนี้เราอยู่เฉยๆกันไม่ได้เพราะกิเลสมันคอยทิ่มแทงหัวใจเราคอยผลักให้เราต้องไปทําสิ่งนั้นต้องไปทําสิ่งนี้ต้องไปซื้อสิ่งนั้นซื้อสิ่งนี้ต้องไปหาคนนั้นหาคนนี้ ต้องไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่นี่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นที่เกิดจากจิตที่ไม่สงบถ้าจิตสงบแล้วจะไม่มีไม่มีอะไรมาทิ่มแทงจิตใจให้ต้องไปทําอะไรทั้งสิน้นจึงขอให้เราพยายามทําจิตใจของเราให้นิ่งให้สงบให้ได้วันไหนไม่ต้องไปทํางานทําการไม่มีธุระอะไร<ม>ก็อย่าหาเรื่องออกไปนอกบ้าน หัดอยู่บ้านกันมั่งแสนจะสบายไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวห้องน้ำห้องท่าก็สะดวกอาหารการกินก็สะดวกที่นอนก็สะดวกไม่ต้องไปเบียดเสียดบนท้องถนนไม่ต้องไปเข้าแถวไปซื้อข้าวซื้อของกันนี่คือความจริงที่เราควรที่จะนำมาพินิษ์พิจารณาและลองปฏิบัติดู รับรองได้ว่าถ้าทาได้แล้วจะไม่ทําอย่างอื่นอีกต่อไปเพราะไม่มีอะไรที่จะดีเท่ากับการกระทําตามที่พระพุทธเจ้าได้กระทํามาและนำเอามาสั่งสอนให้กับพวกเราคือให้เราหาความสุขทางจิตใจกันด้วยการอยู่นิ่งเฉยด้วยการตัดความโลภความโรกรธความหลงต่างๆด้วยการตัดการสแสวงหาลาภยศสรรเสริญสุขต่างๆ จึงขอฝ่าเรื่องของการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระคุณอันประเริฐนี้ให้ท่านได้ไปเพณิพิจนาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็แห่งว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้